ปัญหาข้อต่อไปอปุญยะปัญหาปัญหาที่ไม่ใช่บุญเนี่ยนะคือคือคำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่บุญพระเจ้ามิเรนถามว่าพระคุณเจ้านาคเกเซนพวกท่านกล่าวกันว่าผู้ใดไม่รู้ทำปาณปฏิบาติผู้นั้นย่อมได้รับบาปที่มีกําลังแรงกว่านะหมายค่ะว่าใครที่ไม่รู้ทําบาปเนี่ยบาปมากกว่าคนรู้ทำไอ้คาว่ารู้นี่แปลว่ารู้ว่ารู้ว่าทํำแล้วเป็นบาปกับไม่รู้ว่าทําแล้วเป็นบาป ทำบาปเหมือนกันเนี่ยใครจะบาปกว่ากันครั้งที่แล้วก็บอกว่าคนไม่รู้บาปมากกว่าคนรู้เหมือนกับคนที่จับก้อนไฟเนี่ยนะคนที่รู้จับจับคนที่ไม่รู้จับคนที่ไม่รู้จั บ, ค น, จบคนที่ไม่รู้จับก้อนไฟเนี่ยก็ถือว่าร้อนเอ่าก็เรียกว่าเจ็บปวดมากกว่าเพราะไม่รู้วิธีจับส่วนคนที่รู้ก็จับแบบชนิดที่เรียกว่าปล่อยเร็วฉันใดบาปก็เหมือนกันผู้ใดที่มีความรู้ในเรื่องบุญบาปทําบาปบาปไม่มาก แต่ใครที่ไม่รู้เรื่องบาปเลยเนี่ยนะทําบาปบาปมากยกตัวอย่างเช่นอบอกว่าโอ๊ยบอกไม่น่าเป็นไปได้เขาบอกงั้นไม่น่าเป็นไปได้เขามีนะคนด็อกเตอร์คนหนึ่งก็มาถามเรื่องเนี้ยไม่ได้อั น, นี่เป็นปรัชญาคําพูดว่าไปเรื่อยเขาบอกงั้นไม่ใช่เป็นคําพูดที่เชื่อถือได้นะไม่รู้จบด็อกเตอร์ทางศาสนาได้ไงไม่ทราบเธอจริ ง, รงๆเลยนะอ้าวคนพวกศึกษาธรรมะเนี่ยนะโกรธไหมยังว่าพวกศึกษาธรรมะนี่ขี้โกรธไหม อ้าวแล้วก็ถามว่ากับคนไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็โกรธเหมือนกันใช่ไหมแล้วความโกรธของคนสองคนเนี่ยใครจะทําท่าจะระ ง, งับได้ง่ายกับกันก็บอกว่าคนที่ไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยเวลาได้โกรธแล้วมันโกรธนานนะโกรธนานด้วยโกรธมากด้วยแล้วก็รุนแรงยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเพิ่มเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มอะไรนะเพิ่มโทษภัยของของโทสะ ม, มากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างน้อยที่สุดก็ ระ ง, งับได้เร็วเนี่ยนะถึงโกรธก็อย่างน้อยก็ไม่พูดถึงพูดก็พูดแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้พูดมากอะไรเพราะฉะนั้น อ, อย่างคนที่ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะอย่างน้อยก็ยังโกรธอยู่แต่ก็โกรธน้อยกว่าคื อ, ค, อคือขณะเดียวกันสมสมติถ้าเราศึกษากับเราไม่ศึกษาเนี่ยนะถ้าเราจะโกรธตอนไหนเราโกรธมากกว่ากั น, น, น, นมันไม่ศึกษาเราก็โกรธ ม, มากอยู่แล้วถ้าเราจะทําบาปตอนศึกษากับไม่ศึกษาเนี่ยนะกรณีเดียวกันไหนเราจะทํามากกว่ากัน และทำบ่อยกว่ากันเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้อยู่เนี่ยทําบาปบาปน้อยกว่าผู้ที่ไม่รู้เนี่ยนะบางคนบอกโอ้ไม่อยากว่าไม่อยากรู้หรอกว่ารู้แล้วก็ทําไม่ได้เขาว่ากันก็บอกว่าถ้ารู้แล้วถึงทําไม่ได้ถึงจะทํายังทําอยู่มันก็บาปน้อยกว่าคนที่ไม่รู้เอาเลยเนี่ยนะก็ยังดีกว่าคนที่ไม่รู้เอาเลยนี่คําถามเขาก็มีอยู่ว่าคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ พระเจ้ามิลินก็โยงไปหาวินัยอีกคำถามเรื่องนี้เดี๋ยวโยงไปหาวินัยหน่อยก็บอกว่าส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับตรัสไว้ในพระวินัยบัญญัติอีกว่าอนาปฏิอชา น, นตสะภิกษุไม่รู้อยู่ไม่เป็นอาบัติอันนี้ในอนาปฏิวนันบางสิขาบทบอกเลยถ้าไม่รู้ไม่เป็นอาบัติพระคุณเจ้าว่านันถ้าหากคำที่บอกว่าบุคคลไม่รู้แล้วทาปาณาติบาตได้รับบาป ท, ที่มีกาลังแรงกว่าดังนี้ ถูกต้องจริงแล้วไซถ้าอย่างนั้นคําที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อภิกษุไม่รู้อยู่ไม่ต้องอบัติก็ต้องผิดถ้าหากคําที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อภิกษุไม่รู้อยู่ไม่ต้องอบัติดังนี้ถูกต้องจริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ตรัสว่าบุคคลไม่รู้แล้วทําตานาติบาทย่อมได้รับบาปที่มีกําลังแรงยิ่งกว่าดังนี้ก็ต้องผิดทกลงเอาอยัางไงกันเนี่ย ใช่มเพราะว่ามันคิดแล้วมันงงอ่ะใช่ไหมมันพูดถ้าตอบอีกคำหนึ่งมันก็ขัดอีกคำหนึ่งบอกว่าไม่รู้ทำบาปมากในพระวินัยกลั่นบอกว่าไม่รู้ไม่เป็นอาบัติเอ๊ถ้าไม่รู้แล้วบาปจริงมันต้องในพระวินัยก็ต้องบอกด้วยสิว่าถ้าไม่รู้แล้วมีโทษมากยิ่งอาบัตแรงๆเข้าไปอีกนี่มันแปลว่าอะไรปัญหานี้มีสองเงื่อนเปื้องในยากเก้าล่วงในยากตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นด้วยเถิด ขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไป ว, ว่าผู้ใดไม่รู้ทมปานาธิบาตผู้นั้นย่อมได้รับบาป ท, ที่มีกำลังแรงกว่าดังนี้จริงยกตัวอย่างในนี้ยกตัวอย่างปานาธิบาตจริงจลนะอคูสลกกรรมบททุกข้อนะทั้งปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจาร์พรุสวาจาปิสณาวาจาสมพัตาปาพิชาพยาบาทและ มิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าไม่รู้มันก็มีโทษมากกว่าอยู่แล้วนะมากกว่าคนที่ที่รู้ในการล่วงอกุศลธรรมเหล่านั้นไปอันนี้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระวินัยบัญญัติว่าภิกษุไม่รู้อยู่ก็ไม่ต้องอาบัตินั้นพระองค์ก็ตรัสจริงแต่คําที่ตรัสไว้ในพระวินัยบัญญัตินั้นน่ะยังมีความหมายอย่างอื่นอยู่ ความหมายคนละประเด็นกับที่ที่เอามาคุยกันนะไม่ไม่ใช่เป็นกรณีเดียวกันกับที่กําลังมาคุยอยู่ที่บอกว่าไม่รู้ไม่เป็นอับัตเนี่ยนะกับไม่รู้แล้วทําบาปบาปมากเนี่ยมันคนละกรณีกันของนั้นคือมีความหมายอย่างอื่นเนี่ยมีความหมายว่ายอย่างไรขอถวายพระพรอาบัตบางประเภทนี่เป็นสัญญาวิโมกมีอยู่อับัตบางประเภทโนสัญญาวิโมกก็มีอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าปรารบอาบัติถึงประเภทสัญญาวิโมกตรัสว่าภิกษุไม่รู้อยู่ไม่ต้องอาบัติดังนี้อู้สาธุพระคุณเจ้านากเกษตรครัพระเจ้ายอมรับคําพูดที่กล่าวมาแล้วแปลว่าอะไรสัญญาวิโมกกับโนสัญญาวิโม ก, ก น, นะนะแพ่บอกว่าสัญญาวิโมกกับโนสัญญาวิโมกเข้าใจทันทีเลยนะของเรารู้เรื่องไหมนะเขาบอกว่าในขวามือนะฮะที่บายว่า อับัตนี้มีอยู่สองกลุ่มสจิตกาบัตกับอจิตตกาบัตสจิตกาบัตคืออบัตที่มีจิตคิดจะล่วงคืออบัตแม้รู้อยู่ว่าเป็นอบัตก็จิตคิดจะล่วงหากไม่รู้ไม่มีจิตคิดอบัตก็ไม่ล่วงอบัตนั้นชื่อว่าสัญญาวิโมกเพราะมีการพ้นได้ด้วยสัญญาคือสําคัญว่าเป็นอบัตหรือไม่เป็นอบัตนั่นแหละมันมีหลายสิกขาบทเทวว่า ถ้ามีจิตคิดจะล่วงหรือรู้อยู่แล้วล่วงจึงจะเป็นอบัติถ้าไม่รู้ไม่ล่วงไม่เป็นอบัตเช่นกลางคืนเนี่ยเราเราจับจับต้นหญ้าคามาต้นหนึ่งทั้งทั้งมันต้นมันยังยังติดอยู่กับดินอยู่นะเป็นต้นแต่เราก็สําคัญว่าเป็นฟางเราก็นั่งเด็ดเล่นไปเรื่อยเนึกว่าเด็ดฟางอย่างนี้ไม่เป็นอบัตินะอย่างนี้ไม่เป็นอบัติแต่ถ้ารู้ว่าเป็นหญ้าคาแล้ว่เป็นของเขียวและพรากอันนั้นเป็นอบัติ อันี้กรณีนึ่กรณีหนึ่งก็คืออย่างเช่นเราตักน้ำเนี่ยนะในน้ำเนี่ยในขันน้ำเนี่ยมันมีตัวลูกยึดลูกน้ําอยู่เรียกว่าน้ํามีตัวสัตว์ถ้าเราไม่รู้เลยว่าในนั้นน่ะน้ำมีตัวสัตว์แล้วเรารดล้างมือรถต้นไม้รถอะไรไม่เป็นอบัติแต่ถ้ารู้ว่าน้ํามีตัวสัตว์แล้วคืนตักรถนะอันนี้เป็นอบัตนั่นคว่าไอ้ที่บอกว่าไม่รู้อยู่ไม่เป็นอบัติคือกรณีเนี่ยคือไม่รู้ว่าในน้ำนั้นมีตัวสัตว์ หรืออย่างเช่นอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกถ้ารู้อยู่มีเจตนาแล้วจึงบาปถ้าไม่รู้ไม่มีเจตนาไม่บาปเช่นเราเราขับรถเนี่ยนะเรามีเจตนาจะเหยียบมแมลงให้ตายไหมถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปถ้ามีเจตนาบอกโอ้ยล้อที่มันบทสัตว์ค้อยมันตายให้หมดทุกๆกอันเลยนะถ้าอย่างนั้นก็บาปมันนะก็คือมันก็อยู่ที่เจตนาเหมือนเราเดินเดิ น, นะดนไปเนี่ยนะกระแทกให้มันแรงมันจะได้ตายเยอะๆเลยถ้า ถ้าอย่างนี้ก็บาปแหะแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรนะคิดไปเรื่องอื่นไปมานัชิการเรื่องอื่นไปไม่มีเจตนาก็ไม่เปื้อนบาปท่านที่บอกว่าไม่รู้อยู่ไม่เป็นอบัติคือไม่รู้ในกรณีนี้เนี่ยนะคือไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอบัติแต่บางอย่างนะถึงไม่รู้ก็เป็นบางอย่างรู้ไม่รู้ไม่เป็นประมาณเป็นอย่างเดียวเรียกเขาบอกเขาเรียกว่าอาจิตตกาบัติถึงไม่มีจิตคิดจะล่วงคือไม่รู้มีจิตคิดจะล่วงก็เป็นอบัติ รู้ไม่รู้ไม่เป็นประมาณเป็นอย่างเดียวว่างั้นเถ อ, อะเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยนะอย่างเช่นเขาฝากซองจดหมายมาให้เราก็รีบรับเอาใส่ย่ามกลับบ้านไปเลถึงก็เปิดอ้าวเนี่ยใส่มาตั้งหลายตังเนี่ยนะอย่างนี้รู้ไม่รู้ก็เป็นนะนนี้ไม่มีข้อยกเว้นว่ารู้หรือไม่รู้อันนี้อันนี้อย่างนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยนะอันหนึ่ง อ, อย่างไอคิดอีกในหนึ่งนะอาบัตที่ไม่รู้แล้วไม่เป็นอาบัตเนี่ยนะเช่นสมมติว่าเราก็นั่งนจะับ โจมคนหนึ่งจับบีดจับบีดนะตอบอยู่นั่นแหละแต่แล้วตอนนั้นเฮ้ยนี่เปนผู้หญิงเขาบอกถ้ารู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วยังยังเป็นแต่ถ้าไม่รู้ยังไม่เป็นนะอันนี้บางกรณีเนี่ยบางอย่างไม่เป็นอย่างอ่ยางสมมตุติอย่างบางสิกขาบทเนี่ยนะรู้ไม่รู้ไม่เป็นประมาณยังไงก็เป็นอย่างเช่นฉันเข้าฉันเข้าเย็นเนี่ยนะยสมมุติว่า เรารู้ว่าเป็นอาหารหรือไม่เป็นอาหารก็ตามเถอะถ้าสิ่งนั้นมันคืออาหารเมื่อไหร่มันก็เป็นอันนั้นเรียกว่าโนสัญญาวิโมกรู้รู้ไม่รู้ไม่เป็นประมาณเป็นหมดถ้าทําอย่างเงี้ยเป็นอย่างเดียวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไปปรงองกระบาดซะเหมือนกันก็วิ น, นันนยมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อวินัยสองกลุ่มเนี่ยนะไอ้ไม่รู้ถ้าไม่รู้แล้วไม่เป็นอับัตนเนี่ยในอนาปฏิวาระในอาการที่ไม่เป็นอับัตนมันจึงคนละกรณีกับ ที่เรียกว่าคนรู้โทษของปานาติบาตกับไม่รู้ทําปานาติบาตใครบาปมากกว่ากันเรียกว่าคนละกรณีกันเนี่ยนะพระน่ า, กาเกษมกขาบอกเอยใช่ข้าพเจ้าสับสนเองนะถ้าจะแก้ตัวหน่อยบว่าสับสนเองเอย่างนั้นโยงผิดไปหน่อยอย่างนั้น